สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบเก้านะครับอัครทูตสิบสองคนของพระเยซูพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ให้ความหมายของคาว่า believer disciple และ apostle นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูในรายละเอียดว่าอัครทูตของพระเยซูสิบสองคนนั้น เขานั้นเป็นคนที่เป็นที่พระเยซูได้ทรงตั้งเขาขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับพระชนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวหากว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เปิดในพระธรรมมัทธิวบท 10, ที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับมับทธิวบท 10, ที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับโปรดฟัง พวามชนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายอัครทูตสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตกับ Andrew, อ, อัอบบดบอนดรูน้องของเขายากอบุตรเสบดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโตรเม โทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันเฟอสและเลดเบอสผู้มีชื่ออีกว่ัทเดอสซีโมนพักชานิยมและยูดาสอิสคาริโอที่ได้อาจัดพระองค์ไว้นั้นสิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปในทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรีย แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวันอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพรางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับ ป, ปรับเปล่าจงให้ ป, ปรับเปล่าเพื่ครับผมอ่านไปจนถึงข้อที่แปดนะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้เขียนพกิตคุณทั้งสามเรื่มนะครับไปเล่าถึงการที่ พระเยซูส่งเลือกอัครทูตหรืออัครทูตนะครับสิบสองคนจากกลุ่มสาวกที่ติดตามพระเยซูและพระเยซูก็ส่งมอบหมายภารกิจที่พิเศษให้ผู้นําทุกคนนะครับซึ่งริเริ่มงานพิเศษจะต้องถูกคัดเลือกนะครับถูกเลือกมาเพื่อที่เป็นผู้ร่วมงานกับพระเยซูความสําเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่รับการการเลือกนั้น แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าโปรงทรงเป็นพระเจ้ามีฤทธิอำนาจที่จะรกระทําการอัศจรรย์โปรงทรงสรมพันธ์ูนะครับโปรงทรงท ร, งทราบว่าโปรงต้องการใครแปลว่าในพรชนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาได้ก ล, ล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งพอตอนเช้าพระเยซูก็ทรงเรียกสาวกแล้วเลือกสาวกสิบสองคนนะครับ พระเยซูทรงต้องการคนที่จะมาช่วยในการงานของพระองค์ในโลกนี้ครับพระเยซูทรงทราบว่าเวลาของพระองค์ในโลกนี้นั้นจํากัดเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องฝึกคนให้มาสารต่องานที่พระองค์จะต้องปรารถนาให้สําเร็จเมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นได้ครับว่า <c oughs> การบันทึกรายชื่อนะครับของลู ก, กาและกิจการนะครับ แตกต่างกันก็คือว่าในกิจการนั้นไม่ได้กล่าวถึงยูดาสอิสคาริโอเพราะเาขาฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาถล่มจักรเยซูพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสาวกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่ารายชื่อที่พระเยซูได้ทรงเลือกนะครับในพระธรรมลูกานะครับในมาระโกในกิจติคุณทั้งสี่เราเห็นนะครับว่ามาระโกนั้นบอกให้ทราบชัดเจนนะครับ ว่าเป้าหมายที่พระเยซูทรงเลือกครับทั้งสบสองคนนั้นก็เพื่อให้อยู่กับพระองค์และเขาไปประกาศครับและพระเยซูก็ประทานอํานาจให้กับเขาให้เขาขับผีออกได้และก็มีฤทธิ์อานาจในการรักษาโรคโดยด้านามของพระองค์เพื่ครับเราไปดูครับสิบสองคนนั้นมีใครบ้างนะครับผมได้อ่านไปแล้วนะครับในโพสตชนะของพระเจ้าแต่ <c oughs> เราจะมาสังเกตในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนั้นเราจะเห็นว่า มัตติวได้ให้หรายชื่อมาเป็นคู่คู่ครับและเขาเป็นคนเดียวที่ระบุถึงตัวเองว่าเป็นคนเก็บภาษีนะครับเพราะมัตติวเขรู้ดีถึงข้อแตกต่างหลังจากที่เขาได้ติดตามพระเยซูชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากครับเขาออกจากอาชีพคนเก็บภาษีนะครับคนเก็บภาษีคนยิวไปให้โรมันนะครับมัตติวกลายเป็นคนที่บันทึกธรกิจกิจทคุณ และเขาไม่อายที่จะย้ำกับผู้อ่านว่าตัวเขานั้นเคยเป็นคนเก็บภาษีซึ่งใครๆพากันชิงชังรังเกียจมัตทิวและมารโกอย่างระบุว่ามีอัครทูตคนหนึ่งชื่อทัดเดอุสหรือทัเดอัสซึ่งลูกาไม่ได้เอ่ยถึงทัเดอัสนะครับแต่ลูกาเอ่ยถึงอัครทูตที่ชื่อว่ายูดาสบุตรยากอบที่น้องครับสองคนนี้นะครับจริงๆไม่ใช่สองคนครับเป็นคนเดียวกันสองชื่อนี้เป็นคนเดียวกันนะครับ นักเขียนทางประวัติศาสตร์ระบุว่ายูดาสเปลี่ยนชื่อเป็นทัดเดอุสหรือทัดเดอัสเพื่อจะได้ไม่พ้องชื่อกับยูดาสอิสคาริโอซึ่งเทรยดพระเยซูนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าทัดเดอัสกั บ, Judas, บยูดาสบุตรของยากอบนั้นเป็นคนเดียวกันได้ยังมีสมัญยานามที่พระเยซูตั้งให้กับพี่น้องสองคนนะครับก็คือยากอบและยอนบอกว่าเขานั้นเป็นเบเบโบอาเนเยนะครับโบอาเนเย นะครับในพระธรรมม า, มารคบที่สามข้อสิบเจ็ดครั บ, บโบอาเเยนั้นมาจากคำนวณฮีบรูนะครับแปลว่าลูก้าร้องคงจะส่งหรือส่อถึงบุคลิกลักษณะของพี่น้องจากประมงคู่นี้นะครับ <c oughs> มีคนหนึ่งที่น่าสนใจครับมัตทิวนะครับกลับมาพูดถึงมัตทิวกับยาตเก่าอีกคนหนึ่งครับ มัตทิวนั้นมาระโกบทที่สองข้อสิบสีได้บอกว่ามัตทิวก็เป็นบุตรเอลเฟอสในการดูการครับยากษกอบก็เป็นบุตรเอลเฟอัสอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอันนี้จะเป็นคู่พี่น้องกันอีกคู่หนึ่งซึ่งเราไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเราเห็นว่าเปตโตนะครับแอนดรูเป็นพี่น้องกันยากษอบกับยอนก็เป็นพี่น้องกันนะครับ ทีนี้มัตถิวกับยากบนะครับอาจจะเป็นพี่น้องกันในแง่ที่ว่าเขาเป็นบุตร อ, อัลเฟรสเหมือนกันนะครับพี่น้องครับซีโมนเป็นคนที่พระเยซูตั้งชื่อเขาว่าเป็นเปตโตนะครับคําว่าเปตโตนั้นแปลว่าศีลานะครับศีลาเพราะว่าพระเยซูทรงเห็นคุณสมบัติในตัวเปตโต ว, ว่าเขาจะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งแรกๆนะครับเมื่อเข้าไปเป็นสาวกใหม่ๆนั้น เป็นคนใจร้อนผงผังนะครับแต่หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตายแล้วพระเยซูเป็นผู้นําที่ใครๆเอเปโตรนั้นก็เป็นผู้นําที่ใครๆยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยนะครับและจากตรงนั้นเองไม่มีใครเรียกเขาว่าเป็นซีโมนอีกครับพี่น้องครับเปโตรนะครับน่าสนใจมากชีวิตของเขานะครับมีบางตํารานะครับภาษาอังกฤษเรียก ว, ว่าเปโตรเป็นคนที่มีฟุตนะครับฟุตซึ่งซึ่งแต่ว่าเท้านะครับ เป็นคนที่มีฟุตในมดนะครับก็คือว่าเขามีเท้าอยู่ในปากครับนะครับพูดแบบชาวบ้านก็คือว่ามีตีนอยู่ในปากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไปตนั้นเป็นคนที่ใจร้อนพูดไม่ค่อยได้คิดนะครับคําพูดของคนใจร้อนนะครับคําพูดของเปโตนะครับก็สร้างปัญหาต่างๆมากมายนะครับก็เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่า พระเยซูนั้นทรงเปลี่ยนชีวิตสาวกของพระองค์ใครก็ตามที่มาติดตามมาเป็นนักเรียนมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสาวกของพระเยซูชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับชีวิตนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนและในที่สุดนั้นเขาจะต้องกลายเป็นอภิสโซ่ครับเมื่อเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะหยุดอยู่ที่เท่านี้แต่ผมอยากจะให้บทเรียนกับพวกเราทั้งหลายทุกคน นะครับว่าพระเยซูนั้นทรงรู้จักคนที่มาติดตามพระเยซูทุกคนครับพระเยซูทรงเรียกบางคนนะครับให้มาเป็นอัครทูตพระเยซูทรงรู้จักครับพระองค์ทรงสังเกตบุคคลที่มมาติดตามพระองค์บางคนพระองค์ทรงเรียกให้มาติดตามพระองค์บางคนตัดสินใจติดตามพระองค์แต่เมื่อถึงเวลาพระเยซูทรงคัดเลือกอัครทูตครับพระเยซูเป็นผู้คัดเลือก พระเยซู GI ได้ตรัสกับคนเหล่านี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อสิบหกบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลเพราะฉะนั้นพระเยซูยส่สงเลือกเรานะครับไม่ใช่มนุษย์เลือกเราพระเยซูพระเจ้าทรงเรียกเราไม่ใช่มนุษย์เรียกเราเพราะฉะนั้นพระองค์ GI ได้แต่งตั้งเราเราเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่รับใช้มนุษย์แต่รับใช้พระเยซู GI ครับ และพระเยซูตั้งพระไถยของพระองค์ในชีวิตของเราครับพระองค์ตั้งใจให้เราจะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องเกิดผลที่นั่นพี่น้องครับถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วไม่เกิดผลเราอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองว่านี่เป็นสถานที่ที่พระเยซูต้องการให้เราอยู่หรือเปล่าหรือเราอาจจะมีปัญหาส่วนตัวชีวิตของเราทําไมไม่เกิดผลพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราได้รับการทรงนําของพระเจ้า ในเช้าวันนี้ทุกทุกคนที่เราจะเป็นสาวกพระเยซูและยิ่งไปกว่านั้นครับเราจะเป็นอัครทูตที่พระองค์ภูมิใจอาเมน